วิญญาณขานองโดยทอเลียงพิบูรณ์จากหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มที่หนึ่งเรื่องวิญญาณคิดว่าในยุคปัจจุบันนี้กำลังมีผู้สนใจกันไม่น้อยหรือจะเรียกว่าเป็นยุควิญญาณก็ได้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแม้แต่ต่างประเทศก็เพิ่มจำนวนผู้สนใจมากขึ้นแต่ก็ยังมีมากท่านที่มองไปในแง่ของความงมงายเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ ที่มีจิตใจแตกต่างกันต่างความเห็นของแต่ละบุคคลเพราะว่าโลกมนุษย์ตามธรรมชาติสร้างมาย่อมจะมีจิตใจสูงต่ำกลางไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน ฉนั้นจึงต้องมีหลักธรรมของาศาสนาคอยขัดเกลาชี้ให้เห็นสัจธรรมยกจิตให้สูงขึ้นเสมอกันเพราะว่ามนุษย์เกิดมามีทั้งคนใจบุญและก็คนใจบาปมีทั้งคนชั่วคนดีเป็นพ ล, ลโลกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องชั่วหรือเรื่องดีก็ย่อมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบทั้งสองอย่างมากน้อยเป็นธรรมดาฉะนั้นเรื่องที่จะเล่าไปนี้เป็นบันทึกที่ถูกส่งมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนชาววัดผู้หนึ่ง คิดว่าหากท่านได้ใช้สติปัญญาพิจารณาดูแล้วก็จะมองเห็นสิ่งที่ลี้ลับซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์หาเหตุผลไม่ได้เพราะว่าเรื่องที่บันทึกมานี้ผู้ประสบเหตุการณ์เป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมมีศีลที่ปฏิบัติประจําพอจะเชื่อถือได้ฉะนั้นการที่ได้บันทึกมานี้คงจะช่วยให้เกิดประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยดังข้อความที่จะบรรยายต่อไปนี้อิฉันมีเพื่อนวัดที่ถูก อ, อกถูกใจมีนิสัยใจคอคล้ายกันมากผู้หนึ่ง เราได้พบและก็เคยฟังธรรมรักษาศีลที่วัดมาด้วยกันนานปีพอจะรู้ว่าพาันจิตใจกันได้ดีก็เลยคบหาสนิทสนมกันมากแต่แล้ววันหนึ่งเป็นวันพระได้ผ่านไปก็ไม่เห็นเพื่อนผู้นี้มาฟังธรรมเช่นเคยก็เลยนึกในใจสงสัยว่าตลอดเวลาไม่เคยขาดฟังธรรมรักษาศีลในวันพระเลยจึงเกิดเป็นห่วง เพราะว่าการชอบพอนิสัยใจคอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเป็นห่วงกลัวว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยจึงได้พยายามสืบถามผู้คุ้นเคยกับเพื่อนวัดผู้นี้แต่แล้วก็ได้ข่าวแล้วก็รายละเอียดว่าเมื่อครั้งหลังได้มาฟังทำรักษาศีลเมื่อกลับบ้านก็ประสบอุบัติเหตุจากรถประจําทางซึ่งหยุดอยู่ที่ป้ายแกกําลังจะลงจากรถเข้าบ้านแต่ว่าพอจะยกเท้าก้าวลงมายังไม่ทันเหยียบถึงพื้นข้างถนนดีเลยรถประจําทางก็ออก ทำให้รถลากร่างออกไปสองก้าวก็ล้มลงเคราะยังดีที่ผู้โดยสารร้องตะโกนเสียงหลงว่าคนล้มข้างรถคนขับก็เลยตกใจห้ามล้อมิฉนั้นล้อหลังผ่านมาถึงคงจาสาหัสกว่านี้มากแต่ก็อย่างว่าปรากฏว่ากระดูกสะโพกร้าว และทราบว่าเวลานี้กำลังเข้าโรงพยาบาลและมีหลานสาวเป็นพยาบาลได้อยู่ประจำโรงพยาบาลนี้จึงค่อยอุ่นใจหน่อยแล้วก็ได้รับความสะดวกพอสมควรนี่ก็เห็นว่าจะเป็นกรรมเก่าในอดีตที่ตามสนองเมื่ออิชันได้ทราบข่าวก็รีบไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึงก็ทราบว่าอยู่ตึกศัลยะกรรมหญิงเมื่ออิชันเข้าไปเยี่ยมในตึกที่แกนอนป่วยรู้สึกมีคนป่วยอยู่มากมาย ในห้องนั้นมีเตียงคนป่วยประมาณ50เตียงเห็นคนป่วยในห้องนั้นมีอาการเกี่ยวกับกระดูกบางคนก็แขนหักขาหักบางคนก็แขนขาชักรอกโยงขึ้นไปถ่วงดึงน้ำหนักไว้บางคนก็หลังหักต้องเข้าเฝือกพอกปูนเป็นส่วนมากแล้วต่างก็มีหน้าซีดเซียวด้วยการต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเนื่องจากป่วยไข้เห็นแล้วก็อดสังเวทในใจไม่ได้ นึกในใจว่านี่เป็นสถานที่รวบรวมคนมีทุกขส่วนย่อยๆเจ็บป่วยในทางกระดูกซึ่งมีอาการไข้ต่างๆมีทั้งหนักแล้วก็มีทั้งเบายังมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็โรคอื่นๆของมนุษย์ที่ร้ายแรงกว่านี้ก็ยังมีอีกมากทั้งไม่นึกว่าผู้หญิงที่เจ็บป่วยทางกระดูกมีมากถึงเพียงนี้เห็นแต่ความทุกข์ของมนุษย์มีมากมายไม่ยกเว้นหญิงหรือชายพิจารณาดูความสุขความสบายมองไม่เห็นเลย สมกับพระท่านสอนให้พิจารณาถึงทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ แต่อิชันไม่มีเวลาจะคิดปลงสังขารอะไรมากนักเพราะกำลังใจจดจ่อที่จะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนจึงสายตาหาว่าเพื่อนจะอยู่เตียงไหนเพราะเข้าไปดูอยู่ในห้องคนป่วยแล้วและดูลานตาไปหมดซ้ำยังเครื่องนุ่งห่มก็คล้ายกันก็ได้แต่พิจารณาถึงรูปร่างหน้าตาเท่านั้นได้ทราบว่าแม้จะมีเงินซะเพื่ออยู่ห้องพิเศษก็ไม่มีหวังเพราะห้องพิเศษมีจากัดและหาว่างยากต้องจองคิวคอยกันนาน ถ้าไข้หนักก็ไม่ทันได้อยู่ห้องพิเศษจึงต้องอยู่ในห้องรวมคนไข้เป็นหมู่มากเมื่อพบเพื่อนที่นอนอยู่บนเตียงเกือบสุดมุมห้องสังเกตดูหน้าตาก็ไม่เหมือนคนป่วยเพราะว่ายังแจ่มใสไม่ซีดเซียวเหมือนคนไข้ทั่วไปเมื่อเราได้พบหน้ากันต่างก็ดีใจอิชันเริ่มถามอาการป่วยเพื่อนก็เล่าให้ฟังตอนที่ตกรถและเล่าต่อเมื่อมาอยู่โรงพยาบาลว่า เมื่อหมอตรวจดูแล้วก็ฉายเอกซเรย์ ray, ดูเห็นกระดูกสะโพกร้าวจะต้องเข้าทําการผ่าตัดเพื่อนก็ตกลงใจยินยอมเวลานี้เพียงแต่รอเวลาเข้าห้องผ่าตัดเท่านั้นเมื่อเราได้สนทนาการพอสมควรแก่เวลาที่ทางโรงพยาบาลจํากัดอนุญาตให้เยี่ยมแล้วอิชันก็ได้ลากลับบ้านวันต่อมาอิชันก็ไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อิชันทราบจากทางโรงพยาบาลว่าแกกลับบ้านแล้วและกลับอย่างกระทานหันก็เลยนึกแปลกใจตกลงอิชันต้องตามไปเยี่ยมที่บ้าน เมื่อพบเพื่อนอยู่ที่บ้านก็เลยถามว่าทำไมรีบกลับบ้านละ่ะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหรือยังก็ได้ยินเสียงตอบอย่างไม่สบายใจนักว่ายังและจะไม่มีการผ่าตัดอีชั้นก็เลยบอกว่าอา้าวแล้วทำไมไม่ผ่าตัดให้หายซะเรียบร้อยละ่ะเพื่อนก็เลยได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลให้ฟังวันหนึ่งหลังจากอีชันไปเยี่ยมเสร็จแล้วในคืนวันเดียวกัน เขาหามหญิงจีนสูงอายุคนหนึ่งเข้ามาในห้องคนป่วยทราบภายหลังว่าแกหกล้มสะบ้าหัวเข่าหลุดแสดงว่าแกเจ็บปวดรวดร้าวร้องรวนครางพอยกร่างแกขึ้นบนเตียงที่เขาเตรียมไว้แล้วเขาก็เอาผ้ามัดตีนแกไว้กับเตียงเพื่อป้องกันแกพลิกขา หญิงจีนผู้นั้นก็นอนกระสับกระส่ายหลับหลับตื่นตื่นเห็นจะเป็นเพราะปวดเข่าก็ได้แต่แล้วไม่นานนักแกก็ร้องโวยวายจนสุดเสียงถึงความหวาดกลัวเหมือนกับเห็นภาพที่ตื่นเต้นตกใจปากแกก็ตะโกนออกมาบอกว่าผีผีไปไปทำให้คนไข้ที่กำลังหลับก็สะดุ้งตกใจตื่นงโงหัวขึ้นมาดูว่ายายซิมคนนี้แกเป็นบ้าหรือว่าเพอเพราะพิดไข้ พยาบาลกลัวว่าจะทําให้คนไข้ในห้องต้องตื่นเสียงรบกวนของยายซิม้มควรให้แกสงบสติอารมณ์พยาบาลก็จัดการฉีดยาระงับประสาทให้แกนอนหลับแต่แล้วไม่ช้ายาก็ออกฤทธิ์ทำให้ยายซิมนอนหลับสงบไม่โวยวายคนไข้พากันหลับต่อแต่ก็มีคนไข้าบางคนที่เจ็บปวดนอนไม่หลับพยาบาลก็ได้ฉีดยาให้จนนอนนิ่งเงียบ ในห้องมีแต่ความเงียบสงบแต่แล้วไม่นานก็ได้ยินเสียงโครมครามมองไปดูเห็นขาเยซิมที่ผูกมัดอยู่ที่เตียงชูขึ้นแต่ว่าตัวเยซิมตกลงไปอยู่ข้างเตียงได้ยินแต่เสียงของเยซิมร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดความโกรธทำให้ความกลัวลดน้อยลงจึงร้องทั้งแช่งด่าออกจากปากว่าไอ้ผีมึงมาทากูทาไมกูทาอะไรให้มึงเจ็บใจมึงมาเที่ยวรังแกคนขออย่าให้มึงไปผุดไปเกิดเลยขอให้มึงตกนรก เจ้าหน้าที่และพยาบาลเห็นเยซิมพูดเพิร์เจอร์ก็ช่วยกันอุ้มเยซิมขึ้นมานอนบนเตียงอย่างเดิมเพิ่มยาฉีดระงับความเจ็บปวดและพูดเพิร์เจอร์ส่วนคนไข้อื่นๆก็พลอยตื่นแล้วก็ร้องระงมไปหลายเตียงเพราะเกิดอาการปวดขึ้นมาพยาบาลก็ได้จัดการฉีดยาให้พวกที่แสดงว่าเจ็บปวดเพื่อให้นอนหลับต่อไป พอพยาบาลฉีดยาให้คนไข้ที่ร้องระงมทั่วแล้วก็ปิดไฟในห้องแล้วก็เดินออกไปไม่ช้าในห้องก็ปกติสงบเงียบอีกครั้งส่วนเพื่อนของอีชั้นนั้นไม่ได้ฉีดยาและยังมีสติและมีความรู้สึกดีคืนนั้นแสงเดือนแจ่มกระจ่างลอกเข้ามาในห้องทางหน้าต่างและทางช่องลมพอจะมองเห็นตามเตียงคนไข้ได้อย่างชัดเจน กำลังนึกคิดถึงเรื่องการผ่าตัดซึ่งเกิดไม่แน่ใจว่าจะผ่าตัดซะแล้วใจหนึ่งอยากจะรักษาทางพระกำลังคิดก็พอดีได้ยินเสียงคนพูดกันพึมพำภายนอกแล้วก็เข้ามาในห้องเพื่อนได้พงกหัวดู นับแต่เตียงอยู่ใกล้ประตูทางเท้าซึ่งเรียงรายมาจนถึงเตียงที่ใกล้ที่แกนอนเห็นคนไข้นอนหลับอยู่บนเตียงอย่างสนิทเห็นจะเป็นพระฤติยาฉีดทําให้คนไข้หลับเหมือนตายเห็นคนหมู่หนึ่งประมาณห้าคนกำลังเดินเข้ามาทุกคนใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาวทําให้คิดว่าเป็นหมอมาเที่ยวตรวจดูคนไข้แต่ทำไมถึงไม่เปิดไฟให้สว่างแต่ก็ไม่ได้คิดสงสัยว่าจะเป็นผู้อื่น เพราะข้างนอกห้องมีพนักงานและพยาบาลอยู่เวณกันหลายคนคงจะไม่ปล่อยคนนอกเข้ามารบกวนคนไข้ายำคํำคืนเช่นนี้เป็นแน่แต่เมื่อเห็นพวกเขาเหล่านั้นเดินไปเตียงโน้นเตียงนี้ซึ่งมีคนไข้กำลังนอนหลับสนิทในห้องนั้นเห็นจะมีเพื่อนดิชั้นคนเดียวที่ยังไม่หลับซึ่งผงกหัวขึ้นตาคอยจ้องดูแล้วก็ชักเกิดสงสัยขึ้นมาว่า พวกใส่เสื้อขาวกันเกงขาวนี่เป็นใครเข้ามาในห้องนี้ได้อย่างไรปฏิกิริยาท่าทางเมื่อพิจารณาดูแล้วคิดว่าไม่ใช่พวกหมอเพราะพวกนี้จับแขนจับขาพวกคนไข้ที่กำลังหลับสนิทขึ้นมาแล้วก็เหวี่ยงลงไปอย่างไม่ปราณีแล้วก็มองไปเตียงโน้นเตียงนี้ทําท่าทางกิริยาเช่นเดียวกันซึ่งหมอเขาจะไม่ปฏิบัติต่อคนไข้เช่นนั้นเป็นอันขาด ทำให้เพื่อนดิฉันนึกกลัวว่าพวกนี้คงจะเป็นพวกป้นหรือว่าพวกขโมยคอยขโมยเงินคนไข้ที่กำลังหลับสนิทจะทำอย่างไรก็ไม่ตื่นยิ่งนึกก็ยิ่งกลัวมากขึ้นคิดว่าในห้องนี้มีคนไข้แต่เพื่อนดิฉันคนเดียวที่ได้เห็นเหตุการณ์แปลกแปลกและคิดว่าจะสวดมนต์ก่อนจะนอนแต่ยังไม่ทันเริ่มก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดขึ้นทำให้จิตใจหวาดกลัวจับบทสวดมนต์ขึ้นแบบชนต้นชนปลายไม่ถูกเพราะว่าความกลัวทำลายสติ ในใจก็มีแต่ความวุ่นวายคิดว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกขโมยมันกําลังคุยหาทรัพย์สินของคนไข้แล้วก็คงจะจําได้มันคงฆ่าเราแน่ถ้ามันได้เห็นหน้าไม่ยอมให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานหลักฐานยืนยันใจอีฉันปั่นป่วนคิดอะไรไม่ถูกไม่ได้สติคิดอะไรไม่ถู ก, ไไถกเพราะความหวาดกลัวคิดว่าเราจะทําเป็นหลับเหมือนคนไข้อื่นๆปล่อยให้มันค้นทรัพย์สินไปตามใจชอบแต่หัวใจเต้นแรงแทบจะออกมาภายนอกแม้จะทําเป็นหลับ แต่ว่าใจหนึ่งอยากจะลืมตาคอยจ้องดูจึงทำให้กระสับกระส่ายลืมลืมหลับๆจิตไม่เป็นปกติกลัวก็กลัวอยากเห็นก็อยากเห็นจะได้รู้ว่ามันเป็นใครมันทำอะไรแม้ในห้องจะปิดไฟมืดแต่แสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างก็สามารถที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนคืนนั้นจำได้ว่าเป็นคืนวันเพ็ญ15บ้าค่ำประมาณราวสี่ทุ่มกว่าคงไม่ช้าหรือเร็วมากกว่านี้นักความทุรนทุรายในจิตใจมากนัก หลับตานิ่งไม่ได้ก็ต้องลืมตาขึ้นดูเห็นมันเข้าใกล้ทุกทีก็นึกในใจว่าแย่แล้วถึงคราวอับจนลืมตาอีกทีเห็นมันกำลังจะเข้ามาใกล้เตียงก็เลยได้พิจารณาดูพวกนี้ว่ามันเป็นใครกันแน่ทำจิตให้ปกติให้มีสติแล้วก็จ้องมองดูพวกมันเพ่งมองดูแสงจันทร์วันเพนจะสามารถเห็นหน้าได้ชัดเจนและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเหล่านี้เป็นใครที่ไหนก็เห็นได้ชัดเจนว่านั่นไม่ใช่หมอไม่ใช่ขโมย พวกนี้เคยเป็นคนไข้าชายเพราะใส่เสื้อได้ดิบของโรงพยาบาลทุกคนรูปร่างผอมโซเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ทำอะไรว่องไวไม่สมกับสังขารที่ผอมแห้งเหมือนผีตายซากเลยยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นชัด ยิ่งมองดูดวงตาดูรูปร่างดูใบหน้านั้นเหมือนยิ่งลึกลงไปในเบ้าอย่างน่ากลัวสีหน้าขาวซีดไม่มีเลือดเหมือนกระดาษฟางเห็นแล้วเหมือนซากศพตายแห้งเดินได้ยิ่งดูก็เห็นปากหลบลงไปสองข้างแก้มตอบยิ้มเห็นแต่ฟันเห็นชัดแล้วก็สะดุ้งตกใจกลัวและตื่นเต้นใจนึกรู้ว่าพวกนี้ไม่ใช่คนเป็นผีแน่ทันใดที่รู้ว่าผีใจก็หายวูบ ขนลุกหนาวสัน่นแล่นเข้าไปถึงขั้วหัวใจต้องทำจิตให้สงบเจ้าปีศาจตนหนึ่งตรงเข้ามาที่เตียงเพื่อนอีชนันซึ่งกำลังตัวสั่นจิตยังไม่สงบนึกถึงบทสวดมนต์ไม่ออกเพราะลืมหมดด้วยความตกใจกลัวจําไม่ได้ว่าขึ้นต้นอย่างไรขึ้นไม่ถูกทันใดนั้นผีตนนั้นก็เดินเข้ามาถึงเตียงเอามือทั้งสองข้างเท้าที่ขอบเตียงแล้วยื่นหน้ามาถามว่ากลัวมากเหรอ เพื่อนอีฉันไม่สามารถจะพูดต้ตอบได้เพราะความตื่นเต้นตกใจจนพูดไม่ออกจากปากเหมือนติดอ่างเพราะกำลังทำจิตแต่ว่ายังไม่สงบทันใดนั้นเตียงที่เพื่อนนอนก็เอียงไปเอียงมาแทบจะเทตัวหลุดตกลงจากเตียงเกิดความรู้สึกได้ทันทีว่าพวกนี้เป็นวิญญาณมาแสดงอำนาจกิริยาท่าทางให้หวาดกลัวทุกสิ่งในโลกมนุษย์สิ่งใดถึงที่สุดแล้วก็ต้องเข้าสู่ภาวะปกติ เมื่อเพื่อนทําสมาธิใช้อํานาจจิต บ, บังคับความกลัวก็ลดลงเพราะเคยศึกษาธรรมะมาก่อนทําให้เพื่อนดีฉันกลับได้สติขึ้นมาเพราะความกลัวก็ค่อยเบาบางลงจนเกิดความกล้าขึ้นมาแทนจึงนึกในใจว่าผีตนนี้เป็นอะไรตายนะอยากจะรู้ความจริงทันใดนั้นเหมือนวิญ ญ, ญาณตนนั้นจะรู้ว่าภายในใจคิดอย่างไรก็เลยหันมาพูดว่า อยากรู้ว่าตายเพราะอะไรจะบอกให้ก็ได้เราตายเพราะถูกรถยนต์ชนเพื่อนดิฉันได้ยินเช่นนั้นก็หยุดนึกหยุดคิดทันทีนึกเพียงว่าคิดในใจเท่านั้นวิญญาณ น, นั้นก็รู้แล้ววิญญาณ น, นั้นยังหันมาพูดต่อไปว่ามันออกชื่อกูมันด่ามันแช่งพวกกูปากมันจัดพวกกูเลยจับมันโยนลงมาจากเตียงเล่นอีกสามวันจะพามันไปเที่ยวกับพวกกู เพื่อนอีฉันคิดในใจว่าควรจะทําจิตให้เป็นสมาธิและแผ่เมตตาธรรมทางใจไปให้เวลานั้นสติและความรู้สึกค่อยๆกลับคืนมาก็เลยตั้งสติแผ่สมาธิเมตตาธรรมออกไปว่าเราเป็นชาวพุทธศาสนาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์แล้วมนุษย์ทั้งหลายหากเราได้ออกจากโรงพยาบาล น, นี้แล้วเราจะประกอบการกุศลถวายสังฆทานต่อพระสงฆ์ผู้จเจริญด้วยศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และจะอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้จงอย่าทาสิ่งใดรบกวนความสงบแก่ส่วนรวมขอให้เกิดความสุขในสถานที่นี้ด้วยทันใดนั้นเสียงวิญ ญ, ญาณ น, นั้นก็อ่อนลงกิริยาวาจาเรียบร้อยกว่าตอนแรกแล้วก็พูดขึ้นว่าดีแล้วเราจะรอรับส่วนกุศลที่จะแผ่บริจาคให้เราและพวกเราจะออกจากสถานที่นี้ตามความประสงค์ เพื่อนอีฉันมีความรู้สึกว่าวิญญาณ น, นี้ได้พูดคุยกับแกคงจะเป็นหัวหน้าเพราะว่าได้ยินเสียงสั่งพวกวิญญาณที่แยกย้ายกันเล่นกับพวกคนไข้ที่หลับสนิทที่เตียนข้างเคียงกันให้กลับแต่ก็ยังได้ยินเสียงบ่นรำพึงของวิญญาณหัวหน้าว่ามนุษย์ส่วนมากชอบพูดแต่คำหวานๆแต่ไม่ค่อยจะปฏิบัติตามคำพูดเราจะคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลที่จะอุทิศให้ พูดเท่านั้นวิญญาณผีทั้งหลายก็พากันเดินลอยตัวหายออกไปทางประตูเข้าพอเช้าวันรุ่งขึ้นหมอเข้ามาตรวจคนไข้เพื่อนดิฉันก็บอกหมอว่าดิฉันตกลงจะไม่ผ่าแล้วขออนุญาตกลับบ้านหมอกับพยาบาลก็แปลกใจและถามเพื่อนดิฉันว่าอา้าวทำไมจะกลับละ่ะมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนดิฉันไม่กล้า บ, บอกไม่กล้าพูดอะไรมากเพียงแต่พูดว่าดิฉันสบายขึ้นแล้วจึงอยากกลับบ้าน ตกลงเมื่อคนไข้ไม่สมัครจะให้ทําการผ่าตัดหมอก็ไม่สามารถใช้ จ, จกักตัวไว้อีกจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้หลานสาวคนที่เป็นพยาบาลกโกรธมากที่ไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลเพื่อทําการผ่าตัดให้เสร็จเรียบร้อยไปหาไม้มาให้พยุงร่างพากลับบ้านด้วยความไม่พอใจเมื่อกลับไปถึงบ้านต่อมาก็ได้จัดการถวายสังฆทาน5องค์ทําบุญอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ําไปให้วิญ ญ, ญาณของผีที่ไปแสดงตัวที่โรงพยาบาล เพื่อนในเชิบอกว่ายังเสียใจที่ลืมถามชื่อวิญญาณ น, นั้นจะได้อุทิศบอกชื่อโดยตรงไปให้เวลาที่บันทึกเรื่องนี้เพื่อนอีชั้นยังไม่หายดียังต้องใช้ไม้พยุงเดินกระโผกกระเพกไปให้พระที่วัดท่านรักษาทางไสยศาสตร์อาการเจ็บป่วยก็ค่อยอยังชั่วขึ้นแล้วนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งที่ควรจะนามาพิจารณาหาเหตุผลคิดว่าคงจะมีประโยชน์สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาเรื่องวิญญาณบ้างไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าได้รับบันทึกฉบับนี้โดยผ่านคุณประวัติโชติกำจรมาพิจารณาเรียบเรียงเขียนขึ้นท่านผู้บันทึกฉบับนี้ได้แจ้งชื่อเสียงและตำบลที่อยู่มาเรียบร้อยข้าพเจ้าเห็นว่าบางอย่างไม่ควรที่จะลงไปให้ชัดเจนเกินไปนักอาจจะไม่เหมาะสมกับเรื่องเช่นนี้ขอให้รู้แต่เพียงสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วการจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านจะพิจารณาเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ซึ่งหาเหตุผลให้ชัดเจนจากทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้แล้วแต่ผู้ฟังจะคิดและพิจารณาดูข้าพระเจ้าไม่อยากให้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องเช่นนี้อย่างน้อยก็คงเป็นประโยชน์ที่จะได้รับคือความเพลิดเพลินและตื่นเต้นบ้างพอสมควร